ท่านสาธุชนพุทธทนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่ 14 สิงหาคม 2554 ก็จะขอคุยเรื่องธุดงค์แต่ก่อนจะคุยเรื่องธุดงค์ก็ขอป่วยมากอาการป่วย เพิ่งเริ่มสอน 12 สิงหาคม 2534 ได้เข้าไปในพระ dat bij de de er een in de narsingh Amritvinitai. Bij de narsingh Amritvinitai er Bij de narsingh Amritvinitai is er een verandering. Bij de narsingh is er een de narsingh Amritvinitai is er een verandering. Bij de narsingh Amritvinitai is er een verandering. Bij de narsingh Amritvinitai เป็นพระวรวงศ์เธอการไป 14 ขอโทษ 16:30 น. เมื่อได้เวลา เป็นธรรมดางานของสมเด็จพระอรหันตราชินีนาถเด็กทุก <c oughs> <c oughs> ต้องขออภัยทั้งชื่อไม่ออกธรรมราชานุวัตรจะ ก็เป็นว่าพระธีระธรรมทำดีแล้วก็ทำทับต่อไปเพื่อที่จะช่วยกัน <c oughs> ว่าน้ำมันชาตรีที่มีเด็กคนหนึ่งป่วยไม่สบายเป็นเค้าที่ที่ก้นแดงจัดแล้วมีความร้อนมากทีนี้ ไม่เห็นนายจ้างวางไว้ก็ 1 ช้อนหลัง 2-3 วันอาการต่างๆก็ไม่ Paat en we een een een een een een een เป็นรายการหนึ่งหลายๆรายการตอนนี้ไปก็มาคุยกันถึง วันนี้ก็ย่ําแย่ถึงก็แข็งเป็นอาวาสมาถึง ทั้งนี้ 10 ปีเสร็จนิดหน่อยเมื่อไปถึงหลวงพ่อจง ไอ้การขึ้นทุโดงก็คือการเรียนวิชาการทุโดงไม่ใช่ว่าตํามันขึ้นแบบต้นไม้ปีนทางนั้นเคยสงเคราะห์ผมนี่ป่าอยู่ ถ้าถามว่าบอกวันไหนเป็นวันดีครับพระ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าท่านปานยากไปจะไปทําการก่อสร้างฉันไม่เอาฉันทํากรรมฐานอย่างเดียวเคย ถ้าบอกข้าจะไม่รู้แล้วก็ในเมื่อไม่มีคนอื่นพยากรณ์ข้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือพระอหันตตะป่าข้าไม่รู้เอาไม่ว่าแล้ว แถวนั้นยังเป็นป่าทึบที่ปากช่องเป็นป่าทึบมากที่นั่นจะพบผีมากเพราะผีสมัยสมบทบวรเดชพบกันตายที่นั่นมากเขาจะมาเยี่ยมเธอความ ที่นั้นเป็นดินดินมีความสําคัญมากเธอต้องไปตามนี้นะเธอต้องไปตามฉันพูดที่ไหนมีอันตราย เป็นว่าวันพรุ่งนี้เช้า ท่านบอกว่าเธอจงเดินเหมือนฉันนะคําว่าเดินเหมือนฉันพวกเราเองก็สงสัยบรรดาญาติโยมของบริษัทว่าเดินเหมือนท่านมันจะยังไงแต่ความจริงท่านเดินช้าๆแต่เร็วมากถ้าท่านเดินรู้สึกเดินนับ ท่านไปที่เขาพูก็ไป กลับเมืองหาจังหวัดเลยแล้วก็ไป ตราบว่าพระธุรงตายมาหลาย Tang, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, de, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, de, tja, tja, tja, de, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, de, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, de, tja, ถ้ายินประกาศท่านก็มาจะบอกไม่เป็นไรครับไปวันนี้ ตามธรรมดาถ้าเดินธรรมดา 3 วันแต่ที่พระเจ้าจงท่านบอกให้เดินแบบท่านก็ต้องเดินตามท่านแล้วถามว่าที่มาถึงไบเนี่ยอาศัยอะไรอาศัยได้อินทกะโทษใช่มั้ยถ้าบอก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 ก็เดินไปมือตามมือท่านชีก็ <c oughs> ครูจินเทวดาท่านจะมาแสดงอยู่เสมอก็ไม่ได้เพราะว่าภายในของท่านก็มีเมื่อถึงเวลาใกล้ค่ําความจริง <c oughs> <c oughs> Maar pakkort zit de ploeg leeg en dank je wat hij kan. zit daar, maar dank je wat hij kan. Hij kan, dank je We hebben je maak. Bij kun de pep de มา 2 ฝ่ายฝ่ายฝ่ายทั้งเหนือก็มาฝ่ายใต้ก็มามาถึงเข้าต่างคนต่างปะทะกันยิงกันขนาดหนักให้หู กะนึกในใจในเวลานั้นตามตามแบบสภาพกรรมฐานตามแบบสภาพกรรมฐานก็มี 2 อย่าง ถ้าในที่สุดภาพนั้นก็หายไปการล้มตายกันหลายคนใน <L un ters> ก็ถามว่าพวกเธอทําไมจึงยิงกันเค้าบอกว่าเพราะ 2 บอกพวกพวกของให้สั่งให้ยิงครับทําไม ถ้ายังไม่ไปอะไรบ้างก็บ่คือบอกว่าได้ตาทรุไปข้างนึงลูก บางคนขาเป๋ขาก็หยุกกระเยกถูกยิงขาบ้างถูกยิงแขนก็อยู่ที่ตามตัวบ้างนักศึกษาเวรโสดใจก็ เชิญพึงมีคุณดีสั้นๆดีนะก็บอก <S an> <S an> มันนี่จะ เทวดาต่างผู้นั้นถึงกันแน่เหมือนกันเมื่อหมดสภาวะแห่งความที่ 3 สวยสดงดงามมาก อีกเป็นว่ากว่าจะหมดเวลาจริงๆก็บอกว่าตายแล้วสวนตาย แล้วเขาก็มาหาท่าน, แลเขาก็มาหาท่านท่านหน้าที่สุด คนนี้ก็ทําความดีดีเค้าฝ่ายบ่ายก็ดีเค้าให้ทานก็ดีเค้ารักษาศีล 60 คนเสด เพราะเจ้าอาตมาไปหมดทุนก็ขออีก 2 2 องค์ไปว่าทั้ง 2 องค์มาคุยกันพอคุยไปคุยมา นั่งกรรมฐานคุยกับผีให้ให้ผี ภายที่ขึ้นใหม่ๆก็ลืมตาขึ้นมา ของผมได้รับผลบุญความดีจากท่านมีความ ถามว่าตายเวลานั้นจริงๆเท่าว่านับถึงเกือบเป็น 100 คนก็ต้องว่าถกกันมากแล้ว มีเป็นขันแก้ว 60 คนบาดไม่เต็มแค่ประมาณครึ่งบาดเวลา เอกขนางฟ้าเพราะการลบกันคําว่าผู้หญิงไป ทางนั้นอันตราย 30 ขอยืนยันว่าจะไม่มีอันตรายพอดีพระอินทกะอยู่เค้าก็เป็นน้อง เป็นหลังนี้ครับเป็นเทวดาแล้วเค้าเหมือนเป็นภาพมากขึ้นเค้าก็ต้องเลี้ยงโทรใช้ท่านบ้างแล้วก็ต้องติดตามท่านไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อผมไปเค้าต้องไปด้วยกับฐานเทวดานั้นน่ะว่าถามว่าไปมั้ยฉันบอก <c oughs> เรื่องที่กับบ่าเมื่อคืนนี้ไม่ นึกไม่ใใจว่าเจ้านกยุงนี้มันไม่รู้จักคนนะถ้าไปเจอคนจริงๆการนก 3 คืนเทวดาคณะนั้นก็ใส่บาตรทั้ง 3 วันคือ <c oughs> ท่านทําทุกอย่างให้ความสะดวกทุกอย่างเมื่อออกจากดงพญาเย็นแล้วบรรดาพระพุทธบริสัตว์ก็มุ่งหน้าเดินทางต่อไปท่านได้เห็นถึงกาวรจกไปไหนที่ ประมาณ 16:00 น. ก็ถึงภูเขาเป็น vartheta ลากลากมากมีป่าทึบยอด นักศึกษาก็บอกว่าภูเขาพวกกระดิ่งลูกนี้เดิม จะมีหอยก็มีปูอยู่ต้นแต่เป็นเป็นคือคาดหมดมันตายแล้วกรุงจะ หน้าผาสูงอ่าท่านญาติโสกะก็บอก ก่อนมาแล้วก็ตายเยอะ